ท่านสาธุรณ บ, บริษัททั้งหลายพระเศหน้าก่อนได้พูดเรื่องราวเกี่ยวกับวัดบ้านมงโคลในความจริงก็เกี่ยวกับเรื่องเฉพาะที่ว่าจะต้องไปวัดบ้านมงโคจทิงทิ้งทังพลาดเพียงเรื่องอื่นไปบ้างก็เพราะว่ามีหนังสือฉบับหนึ่งที่ว่าคุณอรุณชยันตูซึ่งเป็นรองจเจ้าวาดนํามาส่งให้ ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบจดหมายแล้วก็ตอบจดหมายส่งใบโมทนาในจดหมายแจ้งมาว่าเขตทรงที่เขตที่ส่งมาจริงๆเขาประทับตรามาจากสำเสรนในดงเทพ <c oughs> ตามจดหมายนี่ดีมากทั้งนี้เพราะอะไรก็าอาจามากําลังจะเล่าเรื่องความเป็นมาให้พระทราบว่าคนเราเกิดมาในโลก คามจีิงตอนนี้จะพูดเรื่องตายๆกันนะเรื่องตายของงดไปก่อนถ้าทําใจดีไม่ได้ก็ตายไม่ดีเหมือนกันตายแล้วไม่ดีจดหมายฉบับนี้พูดมาดีมากกําลังค้นหาจดหมายที่ก็ด่ามาเต่ามจริงมันบินร้อยรอยฉบับเขาด่าด่ า, ดามาจะมาก็เก็บเก็บเก็บเพราะมันได้เศษกระดาษจะใช้ เอาความรู้สึกไปยังไง ไ, ไม่รับจดหมายก็ต้องตอบว่ามันชินันแล้วถูก ด, ดา่าเสีใจด้านมันชินไม่มีความรู้สึกแต่บังเอิญจริงๆกำลังค้นหาจดหมายดา่าจดหมายด่าอยู่ก็ไปเจอจดหมายฉบับนี้ที่ส่งมาพอดีเธอเขียนลงว่าวันที่สิบสิงหาคมสองพันห้ารอยี่สิบเจ็ด จานหน้าวสิทธิ์หลวงพ่อปานขนานแท้อําเภอเสนนาจังหวัดพระนครเสียยุธยาเรียนมหาวิรา t h วโรดิงดำเราได้ยินกิตติศัพท์ของเจ้าโด่งดังมากมานานแล้วโดยเฉพาะในกรมทหารในวังและนในกรุงเทพการสแสวงหาชื่อเสียง การแสวงหาชื่อเสียงลาบยศสุขสรรเสริญของเจ้านั้นเจ้าอาศัยบุญบา ร, รมีของพ่อปานเป็นสะพานและก็เป็นบันไดในการเดินไปสู่สามก่อคือกินกรามเกียรตของเจ้าเดี๋ยวขออยากสั่งน้มูกหน่อยแล้วก็เรารู้ประวัติของเจ้าได้ดี เราจะกล่าวพอเป็นสังเขปให้เจ้าฟังเจ้าบทมาจากที่อื่นแล้วมาอาศัยอยู่ที่วัดบานโูเ <c oughs> จ้าไปได้เป็นคนสนิทสนมกับหลวงพ่อปานเหมือนดังที่เจ้าเขียนโกหกชาวโลกไว้ในหนังสือของเจ้าแต่เจ้าได้บังอาจเอารูป <c oughs> เอารูปจำลองซึ่งท่านได้ทำเอง ไว้กับมือใส่ปีเป็นปีปอดะไปยมหน่ายจ่ายแจกที่ไรได้เงินมาจนวนมากแต่ก็เจ้าไม่เอาเงินเข้าวัดเจ้าใช้วิธียักยอกไปเป็นส่วนตัวและในช่วงนั้นชีวิตของเจ้าก็มีเรื่องผู้หญิงเข้ามาผัวพันด้วยซึ่งชาววัดบารุงโคเวลานั้น เขาเรียกเจ้าว่าเจ้าเละร ะ, ล ะ, ละความประพฤติของเจ้าตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเจ้ารู้ตัวของเจ้าได้ดีว่าบิบกกรรมของเจ้าจะเป็นอย่างไรสาเหตุอะไรเจ้าจึงออกมาจากวัดบันโคเจ้าถูกวิษุขอุบาสิากาครวาดขับไล่เจ้าออกมาจากวัดบรนโค เพื่อความโกหกจอมกระล่อนของเจ้าเรายกย่องให้เจ้าเป็นนักโกหกเอกในโลกแต่น่าเส่นใจนะเจ้าระเจ้าจงตั้งใจอ่านให้จบเรามีความหวังดีกับเจ้าจึงเขียนมาเตือนสติแต่มันก็สายไปแล้วเพื่อนเอ๋ยที่เจ้าจะกลับตัว เจ้าทำกรรมใดไว้ย่อมรับผลกรรมกรรมนั้นตถาคตกลา่าวเจ้าไม่ใช่พระอาหารหันต์แต่เจ้าประกาศตัวว่าเป็นพระอาหารหันต์เจ้าอ้างอิงว่าพระพุทธเจ้าเป็นปู่ของเจ้าเจ้ากล้าพูดโวยอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนให้ประชาชนหลงเชื่องมงายอยู่ความโกหกกะร่อนของเจ้า <c oughs> ดังนั้นเราขอปรับอบัตปราชิกข้อที่สี่แก่เจ้าคืออุตริมนุษธรรมที่ไม่มีในตนพระพุทธองค์ทรงอุปมาที่สุผู้ปราชิกว่าอุปมาเหมือนยอดตานยอดดวนหรือคนคอขาดปิดประตูสวรรค์นิพพานโดยเด็ดขาด อาบายภูมิสีเท่านั้นที่จะเปิดประตูรับเจ้าเจ้าฤๅ ร, ระไม่มีใครบันดาลให้เจ้าไปอาบายภูมิสีแต่ตัวของเจ้าทำตัวของเจ้าเองน่าเสียดายพระพุทธองค์ทรงตัดว่าจงเป็นพิสุมาเถิดนั่นแน่คนไม้นั่นแน่เรือนว่างเธอจงนั่งอะไรบะ้ะจงนั่งขยง เพ่งชาญเจ้าจะนั่งเพ่งชาญไปเถิดแต่ตรงนั้นแต่ตรงทิ่งตรงก่อนข้ามกับเจ้าทําตัวเหมือนกับทัพพีที่ไม่รู้รถแกงเทจนาสอนเขาแต่ตัวเองไม่ปฏิบัติเจ้าจึงต้องรับผลข้มกรรมแบบนี้เจ้าเละละเจ้าคือคนห่มผ้าเหลืองไม่ใช่พระศิลหัก ข้อของเจ้ายังไม่มีเลยแล้วเจ้าจะไปรับไปรักษาสินสองร้อยเได้อย่างไรเวลานี้จิตของเจ้ามีแต่ความเาร้อนรุ่มหลงนั่นแหละอาัยภูมิสีเปิดรับจะแล้วผหวังดีนี่รวมความ <c oughs> วาม่าเป็นจดหมายของผู้หวังดีสถานที่ส่งเป็นสถานที่ทำการประชัน่ีที่สามเสี ก็บาทตรามาอย่างนั้นนะเรื่องนี้มาอ่านเพราะอะไรก็ว่าสงสารคนเขียนคนเขียนบอกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อฟานขนานแท้ความจริงน่าจะต่อดั้งเดิมลงไปด้วยนะแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อปานอำเภอเส้นานายุธยาต่อตัวเองกับไม่กล้าเขียนชื่อมาและไม่กล้าบอกที่อยู่ ความจริงหนังสือฉบับนี้มันเป็นบัตรสนเทศแต่ก้นดาเพื่อนวิสุ์สมันเนรผมเห็นว่าการที่ท่านด่าและด่ามาเป็นบัตรสนเทศนี่ถ้าบังเอิญผมเป็นจริงตามนั้นมันก็ไม่อยากไม่มีใครอ่านด้วยนี่นอกจากว่าคุณอรุณซึ่งไปรองเจ้าวาดคือเปรองเจ้าวาดว่าถ้าทรงเธออ่าน พุนาลุนอาจจะรู้อีกหนึ่งองค์รู้ก่อนผมแล้วก็ผมมาอ่านผมก็รู้อีกคนหนึ่งถ้าหนังสือถึงผมผู้ฉีกทิ้งก็ไม่ได้ประโยชน์เลยแคําด่าของท่านผู้นี้ไม่มีประโยชน์แต่เพื่อสงเคราะห์ท่านและส่งเสริมท่านให้มีประโยชน์ผมจึงเอาหนังสืออันนี้มาอ่านให้บรรดาทุกท่านฟังว่าตามธรรมดาคนเราเกิดมาเนี่ย ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัติโลเก อ, อนินิโตคนไม่ถูกนิทานเลยไม่มีในโลกท่านคนนี้ท่านบอกว่าผมเอาหลวงพ่อปานไปสะพานอันนั้นจริงเพราะยังไงไงผมก็ต้องเกาะหลวงพ่อปานเพราะปานเป็นบุรพาจารย์ของผมแต่ว่าตอนหนึ่งท่านบอกว่าผมบวชมาจากที่อื่นาอาศัยวัดบา ร, รมโคอยู่ ตอนนี้เลยเกิดความเข้าใจว่าท่านพวกนี้ไม่รู้เรื่องจริงของวัดบางมุมโคเลยความจริงที่ผมจะบวชหลวพ่อปันเป็นเจาภาพเป็นผู้จัดการท่านเป็ครูรัตนาภิรมย์วัดบรรพแผนเจ้านาตำบลเป็นอุปชาญหลวงพ่อเล็กเป็นกรรมวาจาจารย์อาจารย์เจือเป็นอนุสาวรนาจารย์และก็หลวงพ่อปันให้สิลก่อนตอนให้สิล อันนี้มาตอนหนึ่งท่านบอกว่าเข้ารูปเหมือนพระพุทธาลทเองแล้วก็ไปแจกไปแจกไปทําการเลี่ยไรขบันดาประชาชนได้เงินมากไปส่วนตัวอีตอนนี้หนักใจหน่อยส่วนตัวเนี่ยผมไม่มีกระขาอยู่แล้วแต่ความจริงที่ผมจะหาเงินส่วนตัวมันก็ไม่ยากผมเป็นนักเทศอยู่แล้วนี่ผมเป็นทั้งนักเทศเป็นทั้งนักสวดสงฆ์เงินเหลือหลาย อายีวอนก็เยอะได้ปีแลวมากมากแต่ก็ไม่เคยเหลือแจกหมดอันนี้ก็บอกที่ปรญดาพิสุกเชมัเนนวาสโอมิการไล่มาก็ไม่เห็นมีใครเขาไล่เมื่อผมป่วยผมไปแกไม่ง เ, เขาไล่ก็มาหากันก็มีคนกลุ่มน้อยเท่านั้นที่แสดงความไม่พอใจแล้วก็มาขอของนิดหน่อยผมไม่ให้ ขณะที่ป่วยก็มาขอเครื่องบิฟ้าจะไปใชาผมก็ไม่ให้บอกเป็นของสงฆ์เขาก็ไม่ชอบใจ <c oughs> แล้วมีอะไรอีกเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงไอ้วัดวันโค น, นี่ไม่มีเรื่องผู้หญิงยุ่งเลยส่วนใหญ่เนะี่ยแต่มีอยู่คราวหนึ่งผมจําไม่ได้ว่าผมบวชต่มัณฑาที่สองหรือที่สามที่สามจำไม่ได้ตอนนั้นมีคนคนหนึ่งบวช แล้วก็ย่องเข้ามุดมุ้งเข้าไปอ่าไปนอนในมุ้งของลูกสาวคนที่มารักษาตัวที่มาจากกรุงเทพเพอารุ่งขึ้นหลวงพอปานทราบจากคนพูดกันก็เรียกไปสอบสวนเงียบๆเมื่อทราบเขาตามความเป็นจริงท่านเอาเงินให้แปดสิบบาทบอกไปไปซื้อเครื่องศึกเสียแล้วออกไปจากที่นี่ ที่ตอนนี้บรรดาท่านนังไหลายอาจจะคิดว่าหลวงพ่อปลนเอาเงินอะไรมาใช่ความจริงหลวงพ่อปานทรัพย์พพพสินส่วนตัวของท่านมีที่เป็นครวาตท่านยังมีอยู่ท่านอาจจะเอาเงินตอนนั้นช่วงนั้นมาใช้ก็ได้ถ้าบังเ อ, อิญเป็นเงินถวายส่วนตัวท่านใช้อย่างนั้นก็ไม่ผิดเป็นการทําให้คนครับเป็นการกําจัดคนที่สร้างความเสียหายออกไปจากวัด แล้วก็รายนี้สำหรับเรื่องนี้นะมีเรื่องเดียวที่วัดเบงโครเรื่องผู้หญิงนอกนั้นก็ไม่มีใครอีกแต่ผมเข้าใจว่าคนเจ้าของบัตรสนเทศนีรู้เรื่องนี้ดีกว่าคนอื่นเพราะอะไรไหมว่าจำนวนที่พูดมาในบัตรสนเทศเหมือนกับจำนวนของเขาว่าสมัยที่เขาบวชถ้าถามว่าผมรู้ตัวไหม ก้อันนี้ก็เขาไม่ตอบละมั้งก็มีอะไรอีกผมก็จําไม่ค่อยได้อ่านไปคพราะว่าโออัตริมนุสธรรมอันนี้ก็ เ, เรื่องของชาวบ้านจะได้รู้แล้วผมฝึกคนได้เป็นแสนๆคนแล้วแในการที่เรียกพระพุทธเจ้าว่าปู่เนี่ยผมไม่เคยเรียกผมเคยบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อผมพระทุกองค์ต้องถือว่าเป็นลูกของพระพเจ้าทุกคนแล้วก็อะไรอีกเนาะ อ่านไปก็จําำไม่คืนได้หนังสือผมอ่านใหม่ๆเนะีอีตอนหนึ่งเขาบอกว่าผมอวดตัวเป็นพระหรหันผมก็เคยบอกกับท่านแล้วว่าผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นพระาราหันมีบางท่านเบียากรว่าผมเป็นพระาราหันบ้างบางท่านก็บอกว่าผมไม่ใช่พระาราหันเป็นพระผู้ทรงชานผมก็ปฏิเสธไปหมดแล้วว่าผมไม่ยอมรับทั้งความเบีย ร, ร์รหันและผู้ทรงชาน ให้ทุกคนมีความเข้าใจว่าผมต้องการอย่างเดียวคือโบทเพื่อความพน้นทุกข์มันจะพ้นได้หรือไม่ได้ก็แล้วกันนี่เรื่องของจดหมายมีเท่านี้นะถ้าผมก็สงสัยเหมือนกันไอจดหมายฉบับนี้มันก็มาพอ ด, ดีที่ผมเตรียมตัวจะไปวัดบ้านุมโคแต่หากว่าเขาตั้งใจจะด่าผมนี่ผมไม่สะเทือนหรอกครับ ถ้าผมเลวตามนั้นผมไม่นํามาเรื่องนี้มาอ่านถ้าผมเลวตามนั้นจริงๆเรื่องก็ไม่เงียบไปถึงป่านนี้เรื่องตั้งยี่สิบสามสิบปีมาแล้วไม่น่าเงียบไม่ได้หรอกครับถ้าเรื่องเลวใหญ่อันนี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะไม่ใช่แก่ตัวแลอาหาโออุตริมนุสธรรมเรื่องชาตนิยนต่างๆอันนี้ผมไม่ทราบผมมีอะไรบ้าง แต่ว่าพระก็ดีเน่งก็ดีอุมาสุกบาลิการก็ดีที่เขามาศึกษาด้วกรรมาฐานต่างคนต่างได้กันสำหรับรูปเหมือนรูปเปลี่ยนน้องพ่อป่านั้น้็อบอกผมทำขึ้นผมอาจจะทำก็ได้แต่ผมมีผมก็มีสิทธิ์จะทำในเมื่อผมไปรู้สิทธิ์รูปคุมาอัยจารุมาแจากเกียวปันยังไปในเมื่อคนก็มีความเคารพเดี๋ยวนี้ผมยังทำอยู่ แต่ว่าสมัยนั้นยังไม่ได้ทำก็บังเอิญไปพบเข้าจริงๆว่ามีอยู่และผลจริงๆมหาศาลมากยึงก็คนเป็นลองกันหลายแบบคราวหนึ่งเดินทางผ่านายุไรมีญาติโงมันหนึ่งมาเอาเข้าวมาทําบุญก็แจกให้ท่านถ้าาปันถวายก็แจกให้ผมไม่ได้คิดสตัจ ถ้ากลับมาไปราช บ, บุรีกลับมาทั้งบกมือเรียกกันใหญ่ทั้งคลองถามว่าเหรียญทองแดงรูปพระปานที่ติดมานาะมีไหมบอกยังมีเยอะต่างคนต่างก็เอากันต่างคนก็ต่างก็ทําบุญถามว่าทําบุญเท่าไหร่เพื่บอกไม่ทราบครับงพ่อไม่ได้ตั้งราคาไว้ทําก็ให้ทําบุญก็ให้ไม่จะขอเฉยเฉยก็ให้แล้วก็มีโยงคนได้รับเป็นคนแรกบอกท่านไม่น่าจะให้เฉยเถามว่าทําไม หลังจากท่านไปแล้วเนี่ยไม่มีเรื่องเกิดขึ้นสามเรื่องเรื่องแรกคือผมออกไปหลังบ้านเอาเอาเหรียญนี่ไขวกระสุ น, นมายิงไม่ติดครับยิงเท่าไรก็ไม่ออกเบนเบนปืนไปทางด้านอื่นกระสุนนัดตันปังปังทันทีและบริการที่สองผมเองคลองเหรียญนี้ไปให้หมอฉีดยาหมอแทงในเขา่าต้องเอาเหรียญออกจากตัวจึงแทงเขา่า ยี่รบริการในสามไม่ว่าเหรียญนี่มีประโยชน์มากลูกของเล็กๆกำลังวิ่งแข่งนี่คนหนึここ่งก็เกรงว่าไก่จะมีอันตรายจากอย่างอืน่นทำาลยท้องคอแกไว้ก็พอดีวันหนึ่งก็ไปพายพานตกน้ำพอดีก็ไหวน้ำไม่เป็นลอยไปนู่นหน้าบ้านโนยนทันชียให้ดูห่างไปประมาณสองร้อยเมตรก็บังเอิญเด็กนอยหงายไม่ตาย เรื่องอัศจรรย์อย่างนี้ครับเจ้าบ้านเขาก็มาถามผมเอาเหรียญนี่ให้ดูเหรียญนี้เด็กอยู่ที่คอเด็กแล้วหมอคนที่ฉีดยาก็มายืนยันกรกวาวันนั้นมีเหรียญอยู่สองพันเกือบหมดมึงมั่งกูมั่งมึงมั่งกูมั่งหมดเกือบหมดบางรายมาคนเดียวขอไปสิบอันทาบุญเผือลูกเผื่ลานท่านถามว่าเท่าไรายผมบอกให้ต้องและไม่ต่างอาคา คนนั้นเบอร์สิบบอกท่านสักอง์ละสามสิบาบก็ดีก็เลยบอกว่าอย่าตั้งราคาเรยโยมเป็นของว่าปานท่านนี่ความจริงไม่ได้แก้ตัวบอกความจริงให้ฟังในการฟังเรื่องนี้ท่านฟังแล้วก็อย่าไปโกรธคนพูดนะคนด่ามา น, นี่ดีมากคนต้องขอชมเชยแต่น่าสิ้นใดว่าท่านไม่ได้เขียนชื่อของท่านมา ผมขอให้สันสมยาธรรมวาส ท, ท่านนี้คือว่าคุณแอบด่าคําว่าคุณแอบดา่าไม่ได้มาที่ชื่อกนคือแอบแอบด่าไม่ด่าตัวหน้าดา่ามาแล้วก็แอบไม่ไม่เห็นไม่ให้รู้ไม้แต่กระทั่งชี่กันจริงว่าความต้องการของคนแอบด่านี่จะด่าผมจะทําลายผมแล้วทําลายว้าปบ้านองค ถ้าใจคิดว่าผมจะไปแย่งทรัพย์สินที่วัดบรงโคมก็เป็นไปไม่ได้เพราะการไปวัดบรงโคมของผมเที่ยวแรกหมดเงินไปคิดแล้วทั้งหมดประมาณหมื่นบาทเสษมันเสียแล้วผมก็ต้องเสียระยได้ทางวัดที่ญาโยมพุทบริษัทมาทำบุญวันนั้นก็ไม่ได้ต่อไปถ้าวันที่ยี่ห้าพฤศจิกายนจะหนักกว่านั้นมากขบวนอาจจะใหญ่กว่าเดิมตั้งหลายเท่า อาจจะเกินส like so ิบเท่าพราะนดาลูกหลายของผมมากทุกคนก็อยากจะมารการวัดบันโคเพราะน้องประธารพ่อป่านที่วัดบันโคเองอยากจะเห็นวัดถ้าผมมีความเข้าใจว่าจดหมายฉบับนี้ท่านเปครูให้ใครเขียนด่ามาแล้วผมก็ไม่ไปแล้วประโยชน์จะเป็นไงวัดบันโขขาดรายได้ผมก็ยังเพิ่มรายได้ตามปกติของผมอยู่ ผมอยู่วัดนีญาติโยมมาก็ไม่เสียกำลังใจแต่ว่าเข้าใจว่าผู้เขียนจดหมายนี้ไม่ได้มีเจตนายับดาผมตรงการด่าแบบนี้ท่านจะไม่รู้จักผมซะด้วยดิท่านบอกว่าผมบวชมาจากที่อื่นแต่ความจริงไม่รู้เรื่องของผมเลยผมบวชวัดบันโคท่านยังไม่รู้เรื่องเรื่องอื่นท่านจะรู้ได้ยังไง อีกเรื่องหนึ่งที่เรื่องท่านใหญ่เข้าใจได้ดีและรู้ดีของอื่นคือการมุดมุงเข้าไปหาลูกสาวคนที่มาอาศตัวที่วัดบวรโครอันนี้ท่านจะรู้ดีมากจนท่านหลวงพ่อปันสั่งให้สิออกไปให้เงินแปดสิบบาทให้ไปซื้อเครื่องสิกแล้วก็ศิกเสียแล้วก็สิกตามคําสั่ง เถ้าว่าจะไปทีฟังแล้วผมไม่โตรธเพราะอะไรเพราะว่าผมกําลังจะหาจดหมายด่าผ ม, มรับจดหมายด่าแล้วมีความรู้สึกเป็นยังไงนี่ทุกองค์ต้องพยายามนะอย่าลืมว่าผมนั้นเขาใช้ เ, เสียงด่า ด, ด่าตัวหน้าผมยังนิ่งได้แต่ว่าน่าด่ามากๆก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าการได้จดหมายด่าเนี่ยมันชินบีงคน ที่คิดรับมาแล้วจะจะมาอยู่ที่นี่เกินกว่าสองรอยฉบับด่าดตรงๆแบบนี้ผมอ่านที่ไรผมก็ยิ้มทุกถีได้เสียกระดาษไปใช้กำลังใจของเราต้งวัดเขาด่ามาแล้วก็ต้องดูตามที่พระพุทธเจ้าทรงจัดที่พระพุทธเจ้าทรงจัดว่านัตถิโลเกอานินทิโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลก นินทาประสังสาขึ้นที่วันนั้นนินทาเราสันเสริญเป็นธรรมดาของชาวโลก <c oughs> เราจงอย่ากโกรธคนนินทาและก็อย่าดีใจเพื่มใจเกินไปสำหรคนสัเสริญทั้งนินทาและสันเสริญไม่ได้มีประโยชน์กับเราเลยหมายความเขานินทาเราว่าชั่วแตเราไม่ได้ชั่วตามเขาอย่างจดหมายฉบับนี้ หนังสือที่คุณแอบด่าส่งมาให้ชื่อว่าคุณแอบด่านะไม่ใช่ชื่อคนแอบแอบด่าแล้วก็ส่งมาอย่างนี้อ่านแล้วก็น่าหัเราะมากกว่าหน้าเสียใจเริ่มต้นพับท่านบทมาจากที่อืน่นอาศัยว่าบัลลงโคอยู่ท่านที่พอใจแล้วแล้วก็ท่านดามาแล้วก็ดูเราชั่วตามนั้นไหม ถ้าชั่วตรงไหนปรับตรงใจตัวคงกาย ใ, ให้ดีย้า้ชั่วไปอีกต้องชมคนด่าว่าเ้าติเราเขาเตือนเราให้ตัง้งความดีให้ทรงความดีไว้แต่ว่าถ้ามาเอิญเราดีเราไม่ชั่วก็จงอย่าโกรธกูดด่าพูดดา่ดาเขาด่าว่าชั่วแต่เราไม่ชั่วเราก็ไม่ได้เลวตามคํากระพูดถ้าเราเลวก็ชมเราว่าดีเราก็ไม่ได้ดีตามคำกระพูด อี่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าความดีหรือความชั่วยอยู่ที่การปฏิบัติฉะนั้นขอบรรดาเาพื่อนพิสุทธิ์ทเนในนญาติโยมคุ้บริสัทฟังข่าวเล็กน้อยนี้แล้วจงอย่าเสถียนใจความจริงคิดว่าท่านผู้นี้คุณแอบด่านี่คุณแอบดา่าใจจ้องด่าเงียบเงียบเข้ามาส่งผมโดยเฉพาะ เข้าใจว่าจะไม่พอใจวัดบันโคลทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเป็นการตัดราภพลีรอนกันอย่างหนักสําหรับผมถ้าถูกดา่าผมยับยังผมได้สตางได้สตางตอนไหนผมไม่ไปผมก็ไม่ต้องจ่ายเงินที่ไม่ต้องจ่ายเป็เงินได้เตือนพิิกาได้อย่างน้อ ย, อยจริงๆขบวนของเราขาบวนทั้งหมดจริงๆ จ, จะต้องจ่ายเกินกว่าแสนบาท คนที่มีรถนำรถไปบ้างคนที่ไม่มีรถเหมารถไปทั้งหมดคิดรวมแล้วต้องเกินกว่าแสนบาทเป็นค่าใช้จ่ายแต่ว่าถ้าไม่ไปเอาเงินเกินอาแสนบาทมารวมกันวัดที่วัดท่าสงก็จะมีเงินมากขึ้นและนอกจากนั้นเงินที่บรรดาญาโยมพระตัวบริษัทมาทุกวันมาถวายเพื่อการก่อสร้างสังฆทานก็าตามทางวัดยังขาดไปเยอะ ผมมั่นใจว่าวันนั้นทางวัดขาดเงินไปหลายหมืน่นบาทแต่ว่าผมก็ยำ้ำจะขาดก็ไม่เป็นไรทั้งนี้เพราะว่าเป็นการสนองความดีของครูบาอาจารย์นี่ก็เป็นการสนองการตั้งใจดีของมรนดาท่านพบริษัทที่ต้องการบรรลุมรรสการหลวงพ่อปานที่วัดถึงแม้ว่าหลวงพ่อปานจะมาอยู่แต่สถาน ท, ที่นั้นเป็นสถานที่ท่านสร้าง เป็นสถานที่ท่านบวชอยู่เป็นสถานที่ท่านมรณะเป็นอนุสรณ์ความดีรวมความว่าจดหมายนี้เป็นจดหมายดีขอขอบคุณคุณแอบดา่าขอให้ซึ่งที่ว่าคุณแอบด่านะ่ะไม่ใช่ด่าตัวหน้าได้เกรงใจว่าคุณแอบด่านี่แค่จะได้รับผลน้อยไปด่ามาเงียบๆผมฉีดจดหมายก็เสียเปล่า ก็เลยเอาจุดหมายมาอ่านให้ท่านฟังว่ากำลังใจของคนในโลกนี้เป็นอย่างนี้ทุกคนจังคิดว่าขึ้นชื่อว่าชาวโลกมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนถ้าเราไปหลงโลกคิดว่าเราจะมีความสุขเราก็จมปลังไม่แต่ว่าจมไม่ลงจังคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของธรรมดาแล้วก็วัดกำลังใจ ว่าผมถูกด่าเอาคำด่ามาอ่านให้พวกคุณฟังคุณมีความรู้สึกยังไงถ้าคุณเป็นผมคุณจะมีความรู้สึกยังไงคุณอาจจะคิดว่าต้องแก้แค้นถ้าแก้แค้นเนี่ยมันเพิ่มอารมณ์เล่าร้อนนะอารมณ์เราคิดแค้นคนอื่นอยู่เพียงใดกําลังใจเราไม่มีความสุข การแก้แค้นไม่ใช่แก้แค้นส่วนตัวบคุคคลพูดด่าขอให้สัญญาชื่อว่าคุณแอบด่าถ้าคุณจะแก้แค้นคุณทราบนะคุณแอบด่าคุณอยู่ที่ไหน <c oughs> คุณแอบด่าส่งหนังสือที่สถานีแต่ที่ไปนีสัมเสนแต่ตัวจริงๆอยู่ที่ไหนตัวตัวจริงๆเดิมทีเดียวอยู่บ้านหมอกมันก็ไม่ถูก บ้านหม้อสมัยนั้นไฟไหม้ไปหมดแล้วอาจจะไปอยู่สามเสนสีพญาสี่กักพญาสี่อะไรก็ได้ทั้งนั้นที่ไหนก็ได้แต่คุณแอ บ, บได้จริงๆมีรูปร่างสนับษณะเป็นยังไงคุณก็ยังไม่รู้จักเมื่อยังไม่รู้จักไม่แต่ตัวไม่แต่ชื่อเราก็ไม่รู้จักเราจะไปแก้แค้นที่ไห น, น ถ้าคิดจะแก้แค้นมันก็อย่าเพิ่มความแค้นเป็นการรักษาความแค้นผูกความแค้นให้มากขึ้นวิธีแก้แค้นคือต้องทำลายเหตุของความแค้นนั่นคือกิเลสกิจโทสักวิธีทำลายความแค้นในย่อยยับไปก็คือคิดว่ามันเป็นธรรดาของชาวโลกเราต้องดูพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าน่้นทรงเป็นอริยมนุษย์ เป็นพระพุทธเจ้าแท้แท้ยางถูกชาว บ, บ้านเขาดา่าคนที่อาศัยพระพุทธเจ้ากินดา่าพระพุทธเจ้าอย่างสุภิยะปรีพาชกอาศัยพระพุทธเจ้ากินแท้แท้พระพุทธเจ้าไปไหนก็ติดตามไปพระบิณฑบาตก็เดินตามพระชาว บ, บ้านก็ใส่บาตรด้วยแกยังนั่งดา่าพระพุทธเจ้าได้ตลอดคืน <c oughs> แต่คนประเภทนี้จะถืออะไรเป็นสาระเพระพุทธเจ้าฟังแล้วพวกก็ไม่ทรงโกรธ พระเสเทือนใจมากราบทูลพระเจ้าทราสงทราบที่ได้ทรงยับยั้งว่ญญาสนใจคำมินทานและสําเสริมวางทิ้งไปพิจารณาดูตัวเราว่าคำด่าของเขาอันไหนบ้างที่ตรงตามความเป็นจริงอย่างที่คุณแอบด่ามานี่วองแล้วไม่เจอความจริงสัอย่างจะไป็นเทือนอะไรเรื่องผู้หญิงยิงเรือนี่ผมยกยอด แต่คนอาจจะเข้าใจว่าผมไปยุ่งกับผู้หญิงก็ได้แต่ใครมาใครไปผมถือเป็นกันเองเสมอถือพวกเดียวกันแต่กำลังใจของผมอีกนั่นหนึ่งใครจะทราบถ้าผมยุ่งจริงๆผมรวยจริงๆก็ๆ ค, คงจะไม่ยากจนอย่างอย่างเวลานี้ผมออกจากวัดไปไหนผมไม่เคยมีเงินหรือมีเงินติดตัวไปมาก อย่างเก่งจริง ๆ, ๆเวลาที่ย้ายมาจากวัดมโคมาป่วยเขามีตังค์มายี่สิบาทยี่สิบาทเท่านั้นเองเป็นเงินก้นถุงอารามรดาเพื่อนพุทธบริษัทวงความว่าทุกคนเลิกอย่าไปสนใจกับคำด่าพิจารณาความดีของช่างชั่วตรงเองดีกว่าเสียงพ้องว่าแย่สมูกก็คัดวัดก็หนักขอยยุติวัตเพียงเท่านี้ขอความส่งสวัสดพัฒนามงคลสมบูรณ์คน ยงมีแดบันดาท่านพุทธศาสนิกชนและเพื่อนิสุทธิ์สมณีก็รับฟังทุกท่านสวัสดี